หนึเพราะลัทธิอื่นไม่ได้เรียนรู้โลกและอาาัตมาเพราะลัทธิหนีโลกไปนั้นเขาไม่ได้เรียนรู้โลกและสังคมมนุษย์ให้เป็นโล ก, กวิถูโดยเฉพาะความเป็นโล ก, กุตระและช่วยโลกได้เป็นโล ก, กานุ ก, กรรมปามโดยสร้างจิตให้เป็นโล ก, กุตระจิต เขาจึงไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นโลกและสังคมได้สำเร็จเป็นความจริงในในัยยะต่างๆของความเป็นโลกชีวิตจึงขาดคุณค่าที่มนุษย์ควรจะเป็นควรจะมีอย่างยิ่งชีวิตก็ทิ้งประโยชน์ที่มนุษย์มีได้เป็นได้ไปเปล่าๆอย่างน่าเสียดาย เขาจึงไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงกามตัญหาในกามาพไม่รู้จักรูปตัญหาในรูปประพบโดยเฉพาะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงอรูปตัญหาในขั้นอาสวะขั้นอนุสัยได้เลยเด็ดขาดเหมือนอย่างแบบพุทธที่มีวิธีปฏิบัติอันมีอุบายโกศลที่เป็นลำดับ และและเอียดเป็นขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายอย่างมหัสารย์ยิ่งที่ไม่มีในศาสนาอื่นใดเลยนอกจากพุทธลัทธิศาสนาที่ทิ้งโลกทิ้งสังคมไปอย่างตื้นตื้นเห็นได้ง่ายๆจึงรู้กันไม่ยากแต่แลทัทธิอย่างนั้นมันไม่ได้ช่วยโลกช่วยอัตมาทั้งหลาย ในสังคมในโลกได้อย่างจริงใจอย่างเต็มไปด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมและมีลาบโดยธรรมลาภธรรมิกาก็ไม่ยืดเป็นตนเป็นของตนอย่างที่ยืนยันพิสูจน์ความจริง น, นั้นได้จริงมีใจจริงเห็นเป็นของสาธารณะ กินใช้ร่วมกันได้อย่างไม่ติดใจใดๆเป็นสาธารณะโพคีเหมือนแบบพุทธเพราะไม่มีคุณธรรมในใจที่เป็นสาราิยะปิยกรณะขรุกรณะสังหาอาวิวาทะสามัคคียะเอกีภาวะอย่างแท้จริงแม้มากแม้น้อย จึงไม่มีความเสถียรไม่มีความเที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนได้เลย